ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตปะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะกล่าวในการรับประเคนาการรับประเคนพร้อมด้วยองค์ห้าจึงขึ้นองค์ห้าก็คือข้อที่หนึ่งามัตชิมัตส ปุริสัตะอุจาระมัตังหัวติของพอมัชิมะบุรุษยกขึ้นได้หนึ่งข้อที่สองหัตถาโสปัญญาจติหัตถบาทปรากฏข้อที่สามอภิหาโรปัญญาจติการน้อมเข้ามาเฉพาะปรากฏมีการน้อมข้อที่สี่เทโววามนุสโส ว, วาทิรฉานะคโต ว, วาเดติ เทวดาหรือมนุษย์หรือสัตว์ระชาดประเทียนให้ข้อที่ห้าตังปณะพิกุกาเยนณวากายปะปฏิพเทนะวาปฏิคันหาติภิกษุรับของนั้นด้วยกายหรือว่าด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้การรับประเคียนพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงขึ้น ก็แลหัตถบาตแห่งผู้ยืนผู้นั่งผู้นอนพึงรู้โดยในกล่าวแล้วในปรวรณาสิกขาบทนั้นเถิดถ้าแลผู้ให้หรือว่าผู้รับข้างหนึ่งอยู่บนอากาศข้างหนึ่งอยู่ในพื้นอยู่บนพื้นดินพึงกำหนดประมาณหัตถบาตด้วยศีรษะแห่งผู้อยู่ในพื้นอยู่ที่พื้นดินนะนะและด้วยที่สุดข้างในแห่งอวัยวะอันใกล้แห่งผู้อยู่บนอากาศ เว้นแต่มือที่เหยียดออกเพื่อจะให้และรับให้ได้สองศอกคืบก็คือในหัตถบาศถ้าแม้ผู้หนึ่งอยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่อแล้๋วก็ผู้หนึ่งอยู่บนตลิงหรือผู้หนึ่งอยู่บนต้นไม้ผู้หนึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินเล่าไซส์ก็พึงกําหนดประมาณหัตถบาศโดยในดังกล่าวแล้วนั่นเถิดยืนอยู่ในหัตถบาศเช่นนี้แล้วถ้าแม้เป็นนกให้ด้วยจังไวยปาก หรือเป็นช้างถือเอาด้วยงาให้ซึ่งดอกไม้หรือผลไม้รับประเคีนก็ขึ้นใช้ได้ถ้าแล่นั่งอยู่บนคอช้างแม้สูงเจ็ดต่อคืบรับของที่ช้างนั้นให้ด้วยงวงขวรแทะนั่งอยู่บนคอช้างช้างประเคนให้ก็ใช้ได้ถ้าทายกผู้หนึ่งเอาภาชนะเข้าจุกและกับข้าวซ้อนกันทูลศรีรษะมายืนใกล้พิกจุบอกให้รับเอาไซ ความน้อมลงเฉพาะยังไม่ปรากฏก่อนเพราะเหตุนั้นอย่าพึงรัด ก, ก่อนถ้าแรเขาน้อมลงแม้สักน้อยหนึ่งทิกตุพึงเหยียดมือไปจับภาชนะข้างล่างแม้สักแห่งหนึ่งเท่านี้ภาชนะทั้งปวงก็เป็นอันรับประเคนสิน้นต่อไปจะให้เขาปลงลงหรือว่าเปิดขึ้นประสงค์สิ่งใดจะถือเอาสิ่งนั้นก็ควรแต่ในภาชนะใบเดียวเป็นต้นว่ากระเช้าข้าวสุกไม่ต้องว่าเลยแม้เขาหากข้าวสุกมา ถ้าเขาน้อมคานลงให้จะรับก็ควรแม้ถึงเป็นคานไม้ไผ่ยาวสามสิบตอกข้างหนึ่งผูกหม้อน้ำอ้อยข้างหนึ่งผูกหม้อน้ำมันเนยถ้ารับคานนั้นม่คานเนี่ยนะของทั้งปวงเป็นอันรับทั้งหมดรับทั้งสิน้นเขาบอกให้รับน้ำอ้อยสดซึ่งไหลออกจากรางหีบความน้อมเข้ามาเฉพาะไม่ปรากฏเพราะเหตุ น, นั้นอย่าพึงรับ ถ้าเขาเก็บกาศเสียเอามือค่อยๆวักให้ควรอยู่บาดมากด้วยกันวางบนเตียงหรือว่าตังหรือเสือหรือรางหรือกระดานภิกษุอยู่ที่ใดทายกอยู่ในหัตถบาทอยู่ที่นั้นคิจะรักเอานิ้วมือถูกเตียงเป็นต้นยืนหรือนั่งหรือนอนอยู่ของใดเขาเชลงในบาดเหล่านั้นของทั้งปวงนั้นจะเป็นอันรับสิน้นหรือว่าเป็นการรับเคหล้ ถ้าแม้คิดจะรับขึ้นนั่งบนเตียงเป็นต้นกวนจะขึ้นบนเตียงเป็นการรับประเคนก็ได้นะถ้าบาทตั้งอยู่ในแผ่นดินกระพุ้งต่อกระพุ้งจดกันเล่าใสพิกษุ่เอานิ้วมือหรือว่าเข็มถูกบาดใดๆนั่งอยู่ของเขาให้ในบาทนั้นๆก็เป็นอันรับแล้วท่านว่าไว้ว่า ในบาตจึงตั้งอยู่ในเครื่องราชเป็นต้นว่าลำแทนใหญ่และเครื่องราชบนหลังช้างแห่งใดแห่งหนึ่งรับประเข็นไม่ขึ้นคานั้นถึงรู้ว่าท่านอาศัยล่วงหัตถบาทออกไปกล่าวไว้ก็คือเลยหัตถบาทรับประเข็นไม่ขึ้นแต่ถ้าอยู่ในหัตถบาทจะใช้ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อได้หัตถบาทอยู่รับในเครื่องราชอันใดอันหนึ่งย่อมควรเว้นแต่ของเกิดในที่นั้น แต่ของเกิดในที่นั้นดังใบบัวหรือว่าใบทองกวาเป็นต้นเอารองรับไม่ควรถ้ายังไม่ได้ดุดจากที่นวนะด้วยว่าของนั้นไม่นับว่าเป็นของเนื่องด้วยกายก็แล้วของเกิดในที่นั้นฉันใดในเตียงเป็นต้นที่เขาผูกติดไว้กับหละหรือกระดานหรือหินที่ยกไม่ไหวเอารองรับ ก, ก็ไม่ขึ้นเอามารับเขีนไม่ได้ฉะ น, นั้น ด้วยว่าแม้เตียงเป็นต้นนั้นก็สังเกตว่าเป็นของเกิดในที่นั้นแม้ใบมะขามเป็นต้นที่เล็กเอาลาดพื้นรับประเขนก็ไม่ขึ้นด้วยว่าใบนั้นไม่อาจจะทานของได้ตรองรับของนะั้นไม่ได้บริเวณที่รับนิดเดียวใบมะขามกิจเดียวเอามารับประเขนได้อย่างไงรับขึ้นแต่ในใบบัวเป็นต้นที่ใหญ่ถ้าเขาอยู่นอกคันจราจเอากระบวยคันยาวตักยื่นเข้ามาให้ พึงว่าเขาให้เข้ามาใกล้เขาไม่ได้ยินหรือว่าเขาไม่เอื้อเฟือ้อขืนเทลงในบาพึงรับตะเคีนใหม่แต่ว่าประเคีนไม่ขึ้นอยู่นอกคัตบาศอันนี้ก็เป็นปัญหาญาดโดบางครั้งเป็นผู้หญิงไ ป, ประเคีนถวายของพระแต่ไปอยู่ที่ห่างเลยพระก็บอกว่าโยมเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆโยมผู้หญิงก็ต่างเกลียดเอ๊ะพระทําไมให้โยมผู้หญิงเข้ามาใกล้ๆจริงแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้หัตบาศนั่นเองจะได้ไม่ผิดพระวินยัย พระพิถุ ก, ก็ต้องอธิบายโยมฟังเหมือนกันนะเขายืนอยู่ไกลโยนก้อนข้าวสุกเข้ามาก็เหมือนกันอย่างนั้นก็คือต้องได้หัตถบาทถึงจะโยนได้อยู่ในหัตถบาตแล้วก็โยนได้ไนี่คือใดถ้าเมื่อถอดบาตจากถุงจุ่นน้าย้อมตกลงในบาทรไซเมื่อน้ํามีพึงล้างเสียเมื่อไม่มีพึงเช็ดจุ่นเสียหรือรับประเคียนเสียก่อนแล้วจึงไปบินทบาท ถาไปเที่ยวบินธบาตผงตกลงไซพึงรับประเคนบาเสีแล้วจึงรับพิกขะเมื่อไม่รับประเคนบาเสียแต่รับพิฆาตเข้าก็เป็นวินัยทุกกฎต้องบัตทุกกฎนะแต่เมื่อรับประเคนของนั้นอีกแล้วฉันไม่เป็นอบัติถ้าแลเมื่อวานเขาประเคนให้เขาไม่ได้ยินหรือว่าเขาไม่เอื้อเฟื้อต่อคําขืนให้พิกขะไซไม่เป็นวินัยทุกกฏเพราะว่าอันนี้เอื้อเฟื้อแล้ว ให้โยงเขาประเคนให้หน่อยเขาก็ไม่เ อ, อื้อเฟือหรือว่าเขาไม่ยินเขาใส่อาหารลงไปอันนี้ก็ยังไม่เป็นไม่เป็นวินัยทุกกฎเพราะว่า อ, อื้อเฟือแล้วแต่ว่าถ้าไม่เ อ, อื้อเฟือให้ประเค้นใหม่หรือว่าไม่ล้างบาทอันนี้ถึงจะเป็นวินัยทุกกฎทั้งมีของตกลงไปในบาทแต่พึงรับประเค้นเสียใหม่แล้วรับของอื่นเถิดให้รับประเค้นใหม่แล้วก็ไปรับของอื่นถ้าลมพายุพัดผงคลีมาแต่ทิศนั้นๆไม่อาจรับพิขาได้ มีจิตปริสุทธิ์ผูกใจว่าจะให้อนุสัมบันและรับก็ควรก็ยังไม่เป็นอบัตถ้าผูกใจไว้ว่าเดี๋ยวจะให้อนุสัมบัณหรือว่าฝนพวงมันก็ตกลงมาตลอดเที่ยวบินตบาดแล้วกลับไปวิหารหรือว่าโรงฉันให้ของนั้งเสียแก่อนุสัมบันแล้วอนุสัมบันกลับให้อีกกลับให้คืนมาหรือว่าจะถือเอาด้วยวิสาสะแห่งอนุสัมบันก็ควรถ้าทิศให้บาตเข้าสุก ผงตกลงในเวลาไปเที่ยว บ, บยินตบาาแก่พิจุด้วยกันพึงบอกเธอว่าท่านพึงรับประเคนเสียให้รับประเคนเช้ใหม่ถือเอาพิฆาตเถิดหรือว่าฉันเถิดถ้าจะเอาอาหารที่ผงตกตกไปในบาศจะให้กับวิสุอื่นก็ต้องบอกท่านดู ว, ว่าให้รับประเคนใหม่เธอนั้นก็พึงตามอย่างนั้นพึงทําตามอย่างนั้นถ้าผงตกลงลอยอยู่ข้างบนพึงรินน้ําต้มข้างบนเสียที่เหลืออยู่ก็ฉันเถิด ถ้าผงแทรกเข้าไปข้างในไซต์พึงรับประเคนเสียเมื่ออนุสบัญไม่มีอย่าปล่อยให้พ้นมืออย่าปล่อยบาดพึงพาไปคืออาบาดไปในที่ที่มีอนุสบัญแล้วก็ให้ประเคนเสียผงตกลงในข้าวสุกในข้าวสวยจะนําผงออกเสียฉันก็ควรถ้ามันตกไปในข้าวสุกจะออกได้ถ้าผงละเอียดนักพึงนําเสียทั้งข้าวสุก ข, ข้างบน หรือพึงรับประเคนเสียฉันเถิดเอาออกทั้งข้าจุกเลยทิ้งไปทัก้อนเลยหรือว่าประเคนใหม่ก็ได้เมื่อเขาเอาเข้าวต้มหรือว่าแกงวางตรงหน้าตนอยู่ฟองหยาด ก, กระเด็นจากภาชนะมาตกลงในบาดพึงรับประเคนบาดเสียเมื่อเขาเอากระบวยตักข้าวมาถวายฟองหลุดจากกระบวยตกลงในบาดก่อนชื่อว่าตกลงด้วยดีไม่มีโทษเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาเฉพาะแล้ว ถ้าแม้เขาเอาอั้งโล่เข้าสุกน้อมเข้ามาเขม่าหรือว่าเท่าตกลงในบาศไม่มีโทษเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาแล้วเมื่อเขาประเคนอยู่แก่พิจุซึ่งอยู่ในลำดับของกระเด็นจากบาศไปตกลงในบา ท, ทีิตุองหนึ่งชื่อว่าตกลงได้ดีเป็นอันรับประเคนแท้ถ้าเมื่อเขาพาเผือกและผักเป็นต้นให้แก่พิจุรูปหนึ่งอยู่ผงพลอยหลุดจากผัก ตกลงในบาทที่ตุอื่นเพื่อรับเคียนบาดเก๋ใหม่เขาทำบนบาทที่ตุใดเมื่อตกลงในบาทที่ตุนั้นไม่มีโทษเพราะเขาน้อมเข้าไปจะให้อยู่แล้วถ้ายกเขาเอาบาทอันเต็มด้วยข่าปายาธถวายที่ตุไม่อาจจะจับข้างล่างได้เพราะว่าร้อนอยู่จะจับแม้ในขอบปากบาทก็ควรแท้ถ้าแมมไม่อาจจะจับขอบปากบาดได้ก็พึงเอาเชิงรองบาดที่ตูถือ บาดนั่งอยู่ในโรงฉันหลับไปถ้าเกิดจับขอบาบาทบาดไม่ได้ก็เอาเชิงรองบาดไปรับพึ่งเอาเชิงรองรับเทศูนยถือบาดนั่งอยู่ในโรงฉันหลับไปเขาน้อมของเข้ามาก็ไม่รู้เขาให้ก็ไม่รู้ไม่เป็นอาลพะเคนแต่ถ้าถูกใจไว้ว่าเรารับเราจะรับถ้าถูกใจไว้ว่าจะรับล้วนั่งอยู่ด้าไซย่อมควรถึงแม้ม้อยหลับไปก็ เขามาถวายแล้วก็ไม่ปไปได้ปะถือว่าเป็นกัรประเคนแล้วเพราตั้งใจจะรับอยู่แล้วถ้าแม้เธอปล่อยมือจากเชิงบาดเอาเท้าเหยียบไว้นอนหลับไปไหนเป็นอันรับประเคนแทนเพตั้งใจแต่เอาเท้าเหยียบเชิงบาดรับแม้ถึงตื่นอยู่ก็ชื่อว่าเป็นอันรับด้วยความไม่เอือ้อเฟื้ออันนี้ไม่ควรครับด้วอไม่เอือ้อเฟื้อนี่ต้องอบัต ท, ทุกฎเพราะเหตุนั้นอย่าพึงทําบางอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ารับด้วยเชิงบาดเช่นนั้น ชื่อว่ารับด้วยของติดเนื่องกับของที่เนื่องด้วยกายด้วเหตุนั้นไม่ควรคาอาจารย์เหล่านั้นเป็นสัจจะว่ากล่าวดอกแต่ว่าโดยเนื้อความของทั้งปวงนั้นชื่อว่าเนื่องด้วยกายแท้แม้ในกายยะสังสกคะท่านก็แสดงในอย่างนั้นแม้ขอสิ่งใดเขาประเคนให้พิกตุอยู่ตกลงจะหยิบเอาของนั้นเองฉันก็ควรด้วยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าของใดเมื่อเขาให้อยู่ตกลง ให้ถือเอาเองฉันเถิดเพราะของนั้นทายกเขาสละแล้วก็แลตูตรนี้เป็นในยัตถะอยู่หมายถึงว่ายังจะต้องมีการอธิบายในยัตถะเนี่ยถ้ามีตัฏฐานไม่ต้องอธิบายแล้วหรือความเต็มที่แล้ถ้าในยัตฐานี้ต้องอธิบายเพราะเหตุ น, นั้นพึงรู้อธิบายในตูดเป็นดังนี้ว่าของใดเขาให้อยู่พลาดจากมือทายกตกลงในพื้นที่หมดจดหรือในใบบัวและผ้าและเสื่อเป็นต้น จะหยิบเองซึ่งของนั้นฉันก็ควรแต่ของใดตกลงในพื้นที่มีผงของนั้นพึงเช็ดหรือว่าล้างผงเสียหรือให้เขาประเค้นเสร็จแล้วฉันเถิดถ้ามีผงมีทุลีอะไรก็ต้องให้เขาประเคน้นแต่ว่าเช็ดล้างออกหมดก็ไม่เป็นไรฉันได้แต่ว่าถ้าไม่หมดก็ให้เขาประเค้นใหม่ถ้าแลของนั้นกลิ้งไปใกล้พิษตัอื่นแม้จะให้พิษตัอื่นนั้นหยิบมาให้ก็ควร ถ้าบอกให้พิกจุอื่นนั้นฉันแม้พิกจุนั้นจะฉันก็ควรเหมือนกันแต่พิจุอื่นนั้นเจ้าของไม่ได้อนุญาตอย่าถึงถือเอาแม้เจ้าของไม่ได้อนุญาตจะถือเอาด้วยคิดจะให้แก่เจ้าของควรอยู่กับหยิบมาให้เจ้าของก็ได้คำนี้กล่าวไว้ในกุรุนทีก็แลพิกจุอื่นถือเอาของนั้นไม่ควรพระพระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตด้วยว่าพระองค์ตรัสว่าให้ถือเอาฉันเองนี้ ถือว่าอนุญาตว่าของฉันนั้นเขาให้แก่พิจุใดตกลงแม้ไม่ได้ประเคนพิจุนั้นถือเอาฉันได้ก็แต่ด้วยคาว่าของนั้นทายกเขาสละแล้วนี้แสดงว่าของนั้นยังเป็นของผู้อื่นอยู่เพราะเหตุนั้นพิจุอื่นถือเอาฉันเองไม่ควรแต่จะถือเอาฉันด้วยอนุญาตแห่งพิจุเจ้าของนั้นควรอยู่ได้ยินว่าอันนี้แหลเป็นอธิบายในสูตรนี้ ก็แลของนั้นพระองค์อนุญาตเพราะไม่ได้รับประเคนพระเหตุนั้นของนั้นตั้งอยู่อย่างไรไม่ได้ถูกต้องเลยเอาวัตถุสิ่งใดปิดไว้แม้ในวันที่สองจะฉันก็ควรไม่เป็นอาบัตเพราะสันนิธิแต่เพึ่งรับประเคนเสียแล้วจึงฉันเถิดด้วยว่าพระองค์อนุญาตให้เธอนั้นถือเอาฉันเองแต่ในวันนั้นอย่างเดียวเบื้องหน้าแต่วันนั้นไปไม่อนุญาตได้ยินว่าแม้อันนี้ก็เป็นอธิบายในสูตรนี้ ทีนี้จะกล่าวอภัวหาฤกนัยอภัวหาฤกนัยหมายถึงว่าในที่ไม่สามารถที่จะกล่าวหรือว่าไม่ถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นอบัตไม่ถึงการนับเมื่อฉันอยู่ฟันและเล็บและสนิมแห่งบาดสึกกร่อนสิ้นไปของทั้งปวงนั้นเป็นอภัหาริกฉันอยู่ปันมันสึกเข้าไปในปากเข้าไปคอเลยไม่เป็นอบัตเมื่อเอามีดผ่าอ้อยสนิมปรากฏอยู่สนิมนั้นชื่อว่าเกิดขึ้นใหม่ พึงรับประเขนเสียแล้วฉันเมื่อรับล้างมีดเสียแล้วจึงผ่าสนิมไม่ปรากฏเั็นแต่มาดว่ากลิ่นแห่งเหล็กเท่านั้นของนั้นเป็นอภโหริกไม่ถึงการนับไม่เป็นอาบัติด้วยแม้ในอ้อยที่ผ่าด้วยมีดที่ถือเอารักษาไว้ก็เหมือนกันอย่างนั้นด้วยว่าไม่ได้รักษามีดไว้เพื่อจะบริโภคเมื่อบดหรือว่าตํายารากไม้เป็นต้นหินบดและลูกหินครกและสาดศึกสิ้นไปก็ดี หรือเอามีดที่เก็บไว้เผาไฟแล้วก็จิ้มลงในเปลียงและนมสดเพื่อจะให้เป็นยากด็ดีสีเขียวปรากฏในของนั้นวินิจฉัยเหมือนกล่าวแล้วในมีดผ่าอ้อยคือถ้าของนั้นเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องรับประเกันแต่ถ้าไม่ได้เป็นของเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ต้องรับประกฑนแต่ในเปลียงเป็นต้นที่เป็นของดิบยาพึงจิ้มมีดที่เผาไฟนั้นลงเองถ้าจิ้มลงก็ไม่พ้นสามารถประกะศเป็นการทําให้สุขเองต้องบัตรทุกกฎถ้าฉันก็ไป เมื่อฝนตกอยู่ไปเที่ยวบินทบาตน้ําฝนที่คุณหลุดจากตัวหรือผ้าตกลงในบาทเพื่รับประเันบาดเสียแม้ฉันอยู่ที่คนไม้เป็นต้นน้ําฝนตกลงก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้าเกิดตกมาที่ตัวหรือว่าตกลงที่ผ้าแล้วก็ไหลลงมาในบาทอันนี้ต้องประเคนใหม่ถ้าฝนตกเจ็ดวันน้ําฝนใสหรือว่าฝนตกลงจากอากาศนั้นควรอยู่นี่ไม่เป็นไรถ้าไม่ตกลงที่ตัวเนี่ยฉันได้เป็นอภวริก เมื่อจะให้ข้าวสุกแก่สมณเณรอย่าพึงถูกของอยู่ในบาทแห่งสมณเณรนั้นอย่าไปถูกของที่อยู่ในบาทของสมณเณรนั้นแล้วก็ให้ไปเถอะหรือว่าพึงรับประเคินบาทแห่งสมณเณรเสียด้วยว่าถูกข้าวสุกในบาทที่ไม่ได้รับประเคินแล้วมาถือเอาข้าวสุกในบาทแห่งตนอีกข้าวสุกที่ติดมานั้นเป็นอุกาหิตเพราะฉะนั้นก็เอาบาทของสมณเณรเนีเนย่ยมา กะเขียนให้เลยจะได้ไม่ต้องแกนุปหิดต้องกันการได้ถูกอาหารในบาตสามเณรด้วยถ้าอยากจะให้และกล่าวว่าสามเณรจงเอาบาตมาถือเอาข้าวสุกเถิดส่วนสามเณรก็ห้ามถือว่าพออยู่แล้วผมไม่ต้องการแล้วแม้ที่ตุจะกล่าวอีกว่าของนั้นเราสดะแก่เธอแล้วสามเณรก็กล่าวว่าผมไม่ต้องการ แม้จะสละสักร้อยครั้งของดังอยู่ในมือของที่ตุอยู่ก็เป็นอันรับประเคนอยู่แท้ถ้าแลบบาทวางอยู่บนเชิงบาทไม่มีอะไรบอกให้สามเนมถือเอาแล้วสำเนมไม่ถือเอาจะเกิดอยากจะฉันอีกเพึงรับประเคนเสียใหม่เพราะว่าขาดแล้วถ้าไม่มีอะไรแนละ้วก็ไม่ได้อยู่ในมือด้วยถ้ามีอะไรอยู่วางบาทไว้บนเชิงบาทบอกให้สมเนมว่าจงถือเอาขนมหรือว่าข้าวสุกแต่บาทนั้น สามเณรล้างมือแล้วแม้ถือเอาสักร้อยครั้งถ้าหยิบลงในบาทตนมือไม่ถูกเข้าสูกในบาทของตนเลยกิจตึงจะรับประเคนอีกไม่มีนั้นหยิบไปร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรของนั้นขอให้เนรหยิบไปแต่ว่าที่เหลือพิจุยังต้องการอยู่นะมันก็ยังไม่ขาดประเคนแต่ถ้าสามเณรนั้นถูกเข้าสูกในบาทของตนแล้วก็มาถือเอาเข้าสุกแต่บาทของพิสุนั้น ข้าวสุกนั้นระคนด้วยข้าวสุก ข, ของสมณเณรพึงรับประเคนเสใหม่แต่บางอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าถ้าแม้ข้าวสุก ข, ของสมณเณรถือเอาขาดตกลงในบาทของพิจุซพึงรับประเคณเสใหม่คำนั้นพึงรู้ในของซึ่งพิจุกกาหนดว่าเธอจงถือเอาก้อนข้าวสุกอันหนึ่งเธอจงถือเอาขนมอันหนึ่งจงถือเอาประเภทเท่านี้แห่งก้อนน้ําอ้อยนี้ดังนี้แต่ในคําก่อนนี้ไม่มีกําหนด เพราะเหตุนั้นของใดตกลงในบาตแห่งสัมเนธของนั้นแลขาดประเค้นแต่ของอยู่ในมือของสัมเนธสัมเนธยังไม่กล่าวว่าพอแล้วหรือพิจุยังไม่ห้ามเสียตราบใดของนั้นยังเป็นของพิจุอยู่แม้กระทั่งอยู่ในมือของสัมเนธก็ยังเป็นของพระพิกจุเพราะเหตุนั้นไม่ขาดประเค้นถ้ากรอบข้าวสุกลงในหม้อข้าวต้มแห่งตนหรือแห่งพิจุอืน่นเพื่อจะต้มข้าวพึงว่า สามเณรให้เอามือรับไว้บนปากหม้อแล้วคือพึงบอกให้สามเณรเอามือมารับข้าวสารที่ปากหมอ้อกรอกลงในมือสามเณรนั้นข้าวตกลงจากมือสามเณรตกลงในหมอ้อข้าวสุกนั้นไม่ทําหม้อให้เป็นอกติยะไปในวันที่สองเพราะว่าสละแล้วก็สละทางสามเณรถ้าไม่ทําเช่นนี้กรอกลงไซพึงทําหม้อให้ปราจากอามิตรดังบาศบริโภคเถิด ถ้ายกทั้งหลายเขาวางหม้อเข้าต้มไว้แล้วไปเสียสามเณรเล็กไม่อาจจะยกหม้อนั้นขึ้นประเคนได้ีิตุเอียงบาทเข้าไปสามเณรเอียงปากหม้อลงบนปากบาสลิ่นลงข้าต้มซึ่งลงในบาสเป็นอันประเคนแท้อีกอย่างหนึ่งีิตุวางมือลงบนพื้นสามเณรหมุนหม้อขึ้นบนมือนั้นก็ควรแม้ไม่ได้ยกขึ้นนะเพราะว่าบางท่านบอกว่าต้อง ยกของขึ้นพอแมวรอดได้อันนี้ก็ไม่มีในพระไตรปิฎกการถือถามีตัวอย่างตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องยกก็ได้สา ม, มเณรก็หมุนหม้อพระหม้อมันหนักยกไม่ไหวก็หมุนมาหมุนม า, ม, น ม, ามาวางบนมือของพระสุก็ใช้ได้เหมือนการเป็นการรัประเคหนแม้ในกระเช้าข้ า, ขาวสุกมัดอ้อยก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้ามัดควรจะยกประเคได้หมายถึงว่าเป็นของมัชชิมะบุรุษแสามเณรเล็กยกไม่ไหวหรอกสามเณรนะแต่ว่าของนั้นมัชชิมะบุรุษนั้นสามารถยกขึ้นไหว สามเณรสองสามองช่วยกันประเคนหรือคนเดียวมีกําลังยกขึ้นที่สุสองรูปสามรูปช่วยกันรับก็ควรเหมือนกันช่วยกันรับประเคณก็ได้นี่ก็ได้เอาหมอ้อน้ํามันหรือว่าหมอ้อน้ําอ้อยแขวนไว้ที่เท้าเตียงหรือว่าเท้าต่างที่สุขึ้นนั่งบนเตียงและต่างควรอยู่ไม่เป็นอุกหิตหมอ้อสองใบแขวนซ้อนไว้ที่บนในแก้วหรือว่าที่ขอใบบนรับประเคนแล้วใบล่างยังไม่ได้รับประเคน จะถือเอาใบบนควรอยู่ใบล่างรับประเคีนแล้วใบบนยังไม่ได้รับประเคีนเมื่อยกใบบนขึ้นถือเอาใบล่างใบบนก็เป็นอุกหิตเป็นอุกหิตวิธีแก้ก็คือให้ประเคีไปพิสูุรูปอื่นอยา่ามาเคีนตัวเองอีกเพราะว่ามาเคีนตัวเองอีกฉันก็ไปต้อบัตรทุกกดแต่ว่าถ้าเป็นประเคียนพิสูตรูปอื่นเขาพิสูตรที่ไปจับทีแรกนั้นก็อาศัยพิสูตรูปอื่นฉันอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัต ถ้วยน้ํามันไม่ได้รับประเคีนอยู่ใต้เตียงถ้ากวาดไปเอาไม่กวาดไปกระทบถ้วยนั้นเข้าไม่เป็นอุกขิทิไม่เป็นอุกขิิ์อุกขิทินี้ต้องตั้งใจไม่เจตนานี่ก็ไม่เป็นไรคิดจะถือเอาของที่รับประเคีนแล้วไปจับเอาของที่ไม่ได้รับประเคีนขึ้นรู้แล้วกลับวางไว้ในที่ที่ถือเอามาเใช้ใหม่ไม่เป็นอุกขิิ์ไม่เป็นอุกขิทธิ์ู้แล้วก็ไปวางไว้ที่เดิม นำออกไปข้างนอกจึงรู้อย่าพึงวางข้างนอกพึงนำมาวางไว้ในที่เดิมไม่มีโทษดอกถ้าแลของนั้นเขาเปิดฝาตั้งไว้ก่อนก็อย่าพึงปิดลงเมื่อก่อนตั้งอยู่อย่างไรก็พึงตั้งไว้อย่างนั้นถ้าวางลงข้างนอกเล่าไซส์อย่าพึงถูกเข้าอีกถ้าจะเอาลงมาใต้ประสาทรู้เข้าในท่ามกลางบันไดก็คือรู้ว่าของนี้มันเป็นของที่ยังไม่ได้รับเคนี่ไปเอาลงมาใต้ประสาทแล้วอะ รู้เข้าในท่ามกลางบันไดเพราะไม่มีโอกาสพึงนำไปข้างบนหรือว่าข้างล่างแล้วก็วางไว้เถิดก็ไม่มีอาบัตอะไรราเกิดขึ้นในน้ำมันที่รับประเคนไว้แล้วจุนมอดเกิดขึ้นในขิงที่รับประเคนไว้แล้วของนั้นชื่อว่าเกิดขึ้นในที่นั้นเองกิจซึ่งจะรับประเคนอีกไม่มีไม่ต้องรับประเคนใหม่ถ้ามีรามีพวกมอดอะไรก็เอาพวกมอดพวราน้นออกแล้วก็ฉันได้เลย เขาขึ้นไปบนต้นตาลหรือว่าต้นมะพร้าวเอาเชือกโยงปลายยอดลงมาเอาเชือกโยงยุกมะพร้าวลงมาให้ทั้งทลายเลยอย่างเงี้ย น, นะเขาอยู่ข้างบนแล้วก็ร้องบอกให้รับเอาตอนนี้มลฉันอย่าพึงรับนะเพราะว่ามันอยู่เกินหัตถบาทถ้าคนอื่นอยู่ที่พื้นเขาถือบ่วงเชือกดกขึ้นประเคนให้ไสคควรอยู่ให้เขาทํากับยั ก, กิ่งไม้ใหญ่ที่มีผลแล้วรับประเณคนผทั้งหลาย เป็นอันรับประเคีนด้วยแท้จากบริโภคตางสบายก็ควรเขายืนอยู่ในภายในรัว้วทะรุออกไปถไวายอ้อยและหมบครับเมื่อได้หัตถบาปอยู่ก็ควรรับประเคีนได้ของนั้นไม่กระทบสี่รั้วออกไปเมื่อรับเอาก็ควรในของที่กระทบสี่รั้วออกไปท่านไม่ได้แสดงโทษไว้ในอัตถกถาทั้งหลายแต่เราทั้งหลายตรึกเห็นว่า ของนั้นกระทบที่ใดดูเหมือนตกลงเองจากที่นั้นแม้คำนั้นเมื่อของนั้นไม่หยุดอยู่เลื่อนไปก็ชอบอยู่เหมือนอย่างกับธนดาที่กลิ้งออกไปนอกด่านขนนเขายนข้ามรัวร้วหรือว่ากำแพงมาให้ถ้าแลกกำแพงไม่หนาเมื่อยืนอยู่ในกำแพงและนอกกำแพงพอได้หัตถบาตรของนั้นสูงขึ้นไปแม้ร้อยสอกตกมาถึงเข้าจะรับเอาก็ควรอยู่เพาไม่เป็นไรโยนข้ามกาแพงแต่ว่า อัฐบาตของผู้ให้กับผู้รับนั้นได้อยู่ในอัฐบาตโยนขึ้ไปสูงแค่ไหนตกลงมาพระสุรับก็นําไปฉันได้พิสุแบกสามเณรไปบนบ่าสามเณรเห็นลผลเก็บแล้วนั่งอยู่บนคอ น, นั่นเองส่งให้พิกสุก็ควรญพิสุก็รับประเคนได้ฉันได้สามเณรแบกพิสุไปประเคนของให้แก่พิกสุนั่งอยู่บนบ่าก็ควรแท้พิกสุถือกิ่งไม้มีผลเพื่อเป็นร่มเดินไป จิตอยากจะฉันผล น, นั้นเกิดขึ้นจะให้เขาประเคนให้แล้วฉันก็ควรให้เขาทํากับยะเสร็จแล้วรับประเคนกิ่งไม้เพื่อจะปัดแมลงวีถ้าอยากจะฉันไซ้รับประเคนเดิมนั่นแลควรเมื่อฉันก็ไม่มีโทษที่สุวางของควรประเคนในเกวียนแห่งมนุษย์แล้วเดินทางไปเกวียนติดลมที่สุดจับจักเกวียนก็คือล้อเกวียนเนี่ยยกขึ้นก็ควรไม่ช่ว่าเป็นอุกหิณ วางของไว้ในเรือทอเรือไปหรือว่าลากไปด้วยมือก็ควรอยู่แม้ในพ่วงแพก็เหมือนกันอย่างนั้นแม้จะเอาของไว้ในตูมร ห, รหรือว่าในไหหรือว่าในหม้อแล้วให้อนุสบันถือภาชนะนั้นแล้วก็จับแขนอนุสบันเข้าพาข้ามน้ำไปก็ควรแม้เมื่อภาชนะนั้นไม่มีจะให้อนุสบันถือของนั้นแล้วจับแขนอนุสบันนั้นพาข้ามน้าไปก็ควรเหมือนกัน อุบาสกทั้งหลายถวายข้าวสารเป็นเสบียงแก่ที่ตุเดินทางสามเณรถือเอาข้าวสารแห่งที่ตุแล้วไม่อาจจะถือเอาของตัวไปได้พิจิุทั้งหลายถือเอาข้าวสารแห่งสามเณรไปให้สามเณรทั้งหลายเมื่อข้าวสารที่ตนถือไปหมดแล้วเอาข้าวสารที่ที่ตุถือไปก็คือของตนเองนะต้มขึ้นแล้วเอาบาตรแห่งที่ตุและบาตรแห่งตนวางโดยลําดับแล้วก็ตักข้าวต้มลง สามเณรเป็นคนฉลาดก็จะเอาบาทของตนถวายแก่พระเถระเอาบาตของพระเถระถวายแก่พระอนุเถระพระเถระที่สองไงนะเปลี่ยนไปอย่างนี้จนหมดที่จุดทั้งปวงชื่อว่าฉันของของสา ม, มนเณรควรอยู่ถ้าแม้สา ม, มนเณรไม่ฉลาดปารพบจกฉันเองซึ่งข้าต้มในบาทของตนพระเถระทั้งหลายจะขอว่าเธอจงให้ข้าวต้มแก่เราดังนี้โดยลาดับแล้วฉันก็ควรต่างกาัน พิกตุทั้งปวงชื่อว่าฉันของของสามเณรนั้นเองไม่ต้องโทษเพราะอุกหิตไม่ต้องเพราะสันนิธิและในที่นี้พิกตุเอาของเป็นต้นว่าน้ำมันไปเพื่อให้มันดาบิดาและถือเอากิ่งไม้ไปเพื่อจะเป็นร่มเป็นต้นกับพิกตุถือเอาเข้าวสารสามเณรไปนี้ดูไม่แปลกกันเพราะเหตุ น, นั้นพึงไขครวรดูเหตุเถิดสามเณรอยากจะหุงข้าวสารแล้วยกหม้อขึ้นไว้ ติ๊กตุ่งรับประเขนข้าวสารและหม้อแล้วสาวข้าวสารยกหม้อขึ้นตั้งบนเตาอย่าติดไฟเมื่อสุกแล้วคือให้สมณีติดเขาจเองติดไฟให้มันลุกแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งเองนี่ก็เป็นสามะประกาศเลยนะเมื่อสุกแล้วพึงเปิดขึ้นดูให้รู้ว่าสุกแล้วหรือยังถ้ายังไม่สุกไส จ, จะปิดลงเพื่อให้สุกไม่ควรจะปิดลงเพื่อไม่ให้ผงและเท้าตกลงควรอยู่ เมื่อสุกแล้วจะปรงลงและจะฉันก็ควรต่อไปกิตซึ่งจะประเก็นอีกไม่มีสา ม, มเณรอาจจะหุงได้อยู่แต่โอกาสไม่มีอยากจะไปในแห่งใดแห่งหนึ่งพิสุพึงว่าเธอจงประเก็นหม้อทั้งข้าวสารและน้ําเสร็จแล้วยกขึ้นบนเตาติดไฟให้ตุกแล้วไปเถิดดังนี้แล้วต่อไปจะทํากิตทั้งโปรโดยในก่อนก็ควรพิสุต้องการด้วยข้าวต้มยกหม้อที่หมดจด ขึ้นบนเตาแล้วต้มน้ำให้ร้อนควรอยู่ต้มน้ำอย่างเดียวไม่ไรแต่ถ้ามีข้าวสารลงไปนี่ก็มีอาบัดเมื่อน้ำร้อนแล้วสามเณรต่อข้าวสารลงแต่ต่อไปพิกตุอย่าพึงติดไฟข้าวต้มสุกแล้วจะรับประเคียนฉันก็ควรเหมือนกันสามเณรต้มข้าวอยู่พิกตุขนองมือลูบหม้อลูบฝาตะมีปาดฟองที่พุ่งขึ้นเล่นเธอนั้นเองจะฉันไม่ควรฉันก็ต้มนั้นไม่ได้ ชื่อว่าทุรุปจินนะการสั่งสมชั่วหรือว่าประพฤติไม่ดีถ้าถือทัพพีหรือว่ากระบวยไม่ยกขึ้นคนไปไส่หรือคนไปในข้าวต้มไม่ยกขึ้นเลยไม่ควรแต่ทิจูทั้งปวงเลยเป็นสามารถประกาด้วยเป็นทุรุระจินนะด้วยโอ้ต้องอบาดหลายตัวเลยเนี่ยถ้ายกขึ้นเราไส่เป็นอุกหิตอีกด้วยซ้ำทิจูเที่ยวบินทบาทมาแล้วเอาบาทวางไว้บนเชิงบาทของนั้นขาดประเคตแล้ว ถ้าภิกตุโลใอื่นมารูปบาตรูปฝาเล่นไซส์ข้าวที่ได้ในบาตนั้นไม่ควรแก่เธอนั้นผู้เดียวถ้าแลเธอนั้นยกบาตขึ้นแล้ววางลงข้าวสุกนั้นไม่ควรแก่พิกตุทั้งปวงเพราะของนั้นเป็นของที่ขัดประเคนพิจตุจับกิ่งไม้หรือว่าถาวันผลที่เกิดอยู่ในที่นั้นสั่นให้ไหวผลไม้ที่ได้แต่ต้นไม้นั้นไม่ควรแก่เธอนั้นผู้เดียวต้องทุรุปจินนะทุ ก, ก ด, ด้วย จะพิงต้นไม้ที่มีผลหรือว่าถูกหนามในต้นไม้นั้นควรอยู่ไม่เป็นทุรุปจินะคํานี้ท่านกล่าวไว้ในมหาปัญจเรีก็แเลเห็นผลมะม่วงเป็นต้นลนอยู่ในป่าคิดจะให้แก่สามเณรนําเอามาให้ควรอยู่เห็นเนื้อเป็นเด่นราชสีเป็นต้นคิดจะให้แกสามเณรจะรับประเคนหรือว่าไม่ได้รับประเคนก็ตามเอามาให้ก็ควร ถ้าแลอาจจะชำระวิตกได้ใตแม้จะฉันของที่ใต้แต่เดนนั้นก็ควรเหมือนกันถ้าสามารถชำรัวิตกได้ไม่ต้องโทษเพราะว่ารับเนือดีตและไม่ต้องเพราะอุกหิตเพราะว่าจิตบริสุทธิ์จะไปให้สามเณรเมื่อถือเอาน้ํามันเป็นต้นไปเพื่อจะให้แก่มานดาบิดาพยาธิเกิดขึ้นในกลางทางของเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจะรับประเคมสิ่งนั้นบริโภคก็ควร แต่ถ้ารับไปแล้วแต่เดิมเกิดซึ่งจะรับอีกไม่มีประสงค์จะให้แก่มารดาบิดานําข้าวสารไปพระให้แล้วมารดาบิดาตกแต่งข้าวต้มเป็นต้นด้วยข้าวสารนั้นถวายแต่ที่สุนั้นก็ควรฉันก็ไม่มีโทษไม่เป็นโทษเพราะสันนิธิหรือว่าอุกหิตที่สุ ป, ปิดปากหม้อไว้ต้มน้ําร้อนและจะฉันไปกว่าจะหมดก็ควรเพราะว่าเอ้ขีเฒ่าสามารถจะเข้าไปได้ ถ้าเข้าไปพวกขี้เท่าพวกระอองธุรีเข้าไปก็ต้องเขียนหมาถ้าแลเท่าตกลงในน้ำนั้นพึงรับประเขียนเสียเอาคีมยาวขีบถ้วยเคียวน้ำมันอยู่เท่าตกลงไปอย่าวางมือเสียเคี่ยวแล้วพึงปลงลงรับประเขียนเสถเธอร์ถ้าทานหรือว่าปืนรับประเขียนไว้แล้วใซรับประเขียนเดิมนั่นเองควรพิษตุฉันอ้อยอยู่ สาเนรขอบอกให้ตัดเอาเพียงนี้สาเนนก็ตัดเอาที่เหลืออยู่กิจตึงจะประเคีนอีกไม่มีแม้พิจุฉันน้ำอ้อยก้อนอยู่ก็เหมือนกันอย่างนั้นด้วยว่าของที่เหลืออยู่จากส่วนที่อนุสังบาลถือเอาแต่โอกาสที่พิษุบอกให้นั้นไม่ขาดประเคียนแท้พิจุแจกน้ำอ้อยก้อนอยู่รับประเคีนแล้วจัดเป็นส่วนวนไว้พิษุบ้างสาเนนบ้างมารับ ไปสำเนนนั้นมาถือเอาส่วนอันหนึ่งอันหนึ่งหยิบทีเดียวแล้วไปส่วนที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันรับประเคีนอยู่แท้แต่ถ้าสามเณรโรเลถือเอาแล้ววางลงเล่าส่วนที่สำเนรถือเอาเหลืออยู่นั้นขาดประเคีนต้องประเคีนใหม่ก็เป็นสามเณรโรเลน่นี่พิสูตรรับประเคียนยามว้วนสูบควันอยู่ตากและคอติดควันดังมโนศิลาถ้าจะฉันยาวากาลิปกอกหควร จะเป็นโทษเพราะว่าระคนยาวะชีวิตกับยาวะการิกก็หาไม่เมื่อระบมบาดหรือว่าต้มน้ำย้อมอยู่ควันเข้าไปทางช่องหูช่องจมูกช่องปากและดมดอกไม้หรือว่าผลไม้เพราะอาพาธก็ดีย่อมควรเพราะของเหล่านั้นเป็นอหาริกเรออ้วกของฉันออกมาจนเพดานแล้วหมายถึงว่าอาหารนึ่งตายเนยเออกมาจนตั้งถึงเพดานแล้วกลับเข้าไปข้างใน เพราะใช่วิสัยควรอยู่พอออกมาแล้วก็เข้าไปในนี้ถึงไม่เป็นไรนะถ้าออกมาถึงปากแล้วกลับคืนเข้าไปอีกในวิการเป็นอบัติในวิการอภชนะสิกาบทปาิติตีแม้รถแึ่งอามิตรติดอยู่ในระหว่างฟันกลับเข้าไปในคอก็ เ, เป็นอบัติแท้ในเวลาวิการนี้ก็ต้องอบัติปาิตตีถ้าในการก็ไม่เป็นไร ถ้าอามิตรละเอียดรถไม่ปรากฏย่อมเศษฝ่ายข้างอภูหริกก็คือไม่เป็นอบดตเมื่อการจวนเที่ยงฉันจังหันในที่ไม่มีน้ำแล้วเพิ่งขาดถมเขระเสียสองก้อนสามก้อนแล้วไปยังที่มีน้ำล้างปากเสียขิงเป็นต้นรับประเคห แ, แล้วเก็บไว้หนอแตกออกกิดซึ่งจะประเคนอีกไม่มีเมื่อเกลือไม่มีเอาน้าทะเลมาทาเกลือก็ควร น้ำเค็มประเคียนตั้งไว้เป็นเกลือเข้าหรือว่าเกลือละลายเป็นน้ําออกหรือว่าน้ําอ้อยสดเป็นน้ำอ้อยงบหรือน้ำอ้อยงบเหลว อ, ออกก็ดีแล้วก็รับประเคียเดิมนั่นเองย่อมควรก็ไม่ต้องประเคียนใหม่ลูกเห็บก็เป็นคติแห่งน้ําแท้ลูกเห็บหรือว่าน้ําแข็งหิมะต่างๆเหล่านี้เนะก็เหมือนกับน้ําเพราะนั้นเก็บมาทิ้งไว้ละลายก็กลายเป็นน้ํานั่นแหละ เอาเมล็ดลูกกลายที่รักษาไว้แช่น้ำเพื่อจะให้ใสของงานก็เป็นอภาริกชั้นน้ำนั้นกับอามิตรก็ควรน้ำที่เอาผลมาเกลดเป็นต้นซึ่งเป็นคติแห่งอามิตรแช่น้ำให้ใสย่อมควรแต่ในเช้าอย่างเดียวน้าในสบกขนีเป็นต้นเป็นน้ำขุนก็ควรถ้าแลติดปาติดมือใต้ไตไม่ควรน้ำนั้นเพื่อรับประเคนฉัน น้ำขุนในที่เขาไถในนาเพื่อรับประเคนเถิดถ้าน้ําขุนในแม่น้ําในสาบบขรรค์นี้ไม่ต้องรับประเคนเอามากรองสักหน่อยหนึ่งก็ชันได้ถ้าน้ํานั้นไหลลงไปสู่ดําถานแล้วลงไปเต็มในแม่น้ําย่อมควรที่เป็นต้นว่าสะพังมีต้นกลุ่มอยู่กระพังน้ําเุ็นน้ําขังอยู่มีน้ํานั้นดาดด้วยดอกกลุ่มซึ่งหล่นจากต้น ถ้ารถแตงดอกไม้ไม่ปรากฏไส่จิจที่จะรับประเคอ น, น้ํานั้นไม่มีน้ําน้อยรถนั้นปรากฏพึงรับประเคนเสียแม้ในน้ําที่มีใบไม้เก่าสีดําปกคลุมอยู่ในลําธารเขาเป็นต้นในลําธารในเขาซอกเขา ต, ต่างๆเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างนั้นเอาดอกไม้ที่มีเกสรหรือมียางในขั้วลอยไว้ในหม้อน้ําฉันพึงรับประเคอ น, น้ําเสียหรือพึงรับประเคอนดอกไม้แล้ว จึงลอยไว้เขาลอยดอกแคฝอยและดอกมะลิลงแต่มาดว่าอกกลิ่นของนั้นเป็นอภพหาริกแม้ในวันที่สองจะฉันน้ำนั้นกับอามิตรก็ควรสามเนนตักน้ำแต่น้ำที่อบด้วยดอกไม้ที่พิสุกเก็บไว้แล้วกลับเทน้ำที่ตนฉันเหลือลงในน้ำนั้นๆน้า น, นั้นถึงประเคน้นเสใหม่ ในสะบัวเป็นต้นเกสรดอกไม้ลาดอยู่บนน้ำจะเอาหมอกดลงตัดเอาน้ำก็ควรไม้สีฟันที่พิสูจให้เขาทำกัปปิยะรับประเคีนตั้งไว้ถ้าเธออยากจะดื่มรสแห่งไม้สีฟันนั้นไซรรับประเคีนเดิมนั่นเองควรไม้สีฟันที่ไม่ได้รับประเคีนตั้งไว้เมื่อไม่รู้รสเข้าไปในคอเป็นอาบัตแทเพราะว่าสิกบทข้อนี้เป็นอจิตกะ ศึกาบทที่ยังไม่ได้รับประกันแล้วก็ฉันเนี่ยต้องอบัตเป็นอาจิตตะเพราะว่าศึกษาบทนี้เป็นอาจิตตะในมหาโทษสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรน้ำนมย่อมควรเป็นน้ำนมแห่งสัตว์มีเนื้อเป็นกัปปิยะหรือแห่งสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอกัปปิยะก็ตามเมื่อดื่มกินไม่เป็นอบัตน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอาหารเก่าเสมหะมลทินแห่งฟันที้ฟันนั่นเอง มูลตาคีตามูลหูขี้หูเงือ้อซึ่งเกิดในตัวของทั้งปวงเหล่านี้ย่อมควรแท้ติ้นหมายถึงว่าไม่ต้องรับประเค้นก็มันตกเข้าไปฉันเข้าไปได้ไม่มีอบัตแต่ในของเหล่านั้นสิ่งใดหลุดจากที่แล้วตกลงในบาหรือว่าในมือของนั้นถึงรับประเค้นเสียถ้ามันเกิดตกลงในบาตกลงในมือนี้ต้องรับประเค้นใหม่แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ตกลงติดอยู่ในตัวฉันเข้าไปไม่มีอบัต ส่วนที่ติดอยู่ในตัวเป็นอันระประเคียนอยู่แล้วเองเมื่อฉันข้าปลายาี่ร้อนเหงื่อไหลตามนิ้วมือติดเนื่องกันลงไปตั้งอยู่ในข้าปลายาตหรือเมื่อเที่ยวไปบินบาดเหงื่อไหลจากมือลงไปถึงขอบปากบาดและไหลแต่ขอบปากบาดลงไปก้นบาดในเหงื่อนั้นเกิดซึ่งจกประเขียนไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ตกออกจากตัวไหลไปตามหน้ามือต่างๆแล้วก็ตกลงในบาดมล้ก็ฉันก็ไปไม่มีอาบัติ ในมหาพูทที่เผาไฟไม่แล้วสิ่งซึ่งจะไม่ควรไม่มีแต่สิ่งที่เผาไหม้ไม่ดีไม่ควรแต่เผาแล้วด้วยดีแม้เป็นกระดูกมนุษย์จะทําให้เป็นจุนและน้อมเข้าไปในการลิ้มในของลิ้มเสียก็ควรนี่ก็คงจะแก้โรคสารพัด ต, ต่างๆกระดูกมนุษย์อเอาไปเผาไฟแล้วก็ใส่ลงในของลิ้มพวกเช่นพวกน้ําผึ้งต่างๆเหล่านี้ก็ได้สมัยปัจจุบันนี้ก็มี กินกระดูกกันนะกระดูกปลาปนมีแคลเซียมสูงสามารถที่จะนํามาฉันได้เหมือนกันปัญจมังปฏิกขานาริปปังจบข้อที่ห้าชื่อปฏิกขานาริปภักก็คือของที่จะต้องรับประเคนเรื่องการรับประเคนอันนี้ก็สมควรจะเวลาก็ขอให้ท่านช่วยกันอนุเคราะห์รักษาพระวินัยบัญญตัติเพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองประโยชน์ก็คือทําให้สามารถเจริญในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้น ด้วยสีสมาธิปัญญาแล้วก็เชื่อกโยงต่อระาศาสนาเป็นทิฏฐานุกติแต่ชนรุ่นหลังก็จะได้เจริญในธรรมนัยศาสนาคองพุทศาสดาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองทั้งภายในตนและก็ภายนอกด้วยก็ขออนุัมทนาสาธุการส า, สาธุสาธุสาธุขอให้เป็นปัจจัยในการบรรลุผลโดยเร็ว่ันด้วยเธอ